Mm hmm. ฝนตกลงมามันไม่เพียงแต่กระทบหลังคาสังกสีเท่านั้นนะบ่อยครั้งมันก็กระทบใจเราด้วยเราสังเกตเห็นหรือเปล่านะเวลาฝนมันกระทบใจเราพอฝนกระทบใจก็ทำให้ปรุงแต่งเกิดความกังวลขึ้น เอถ้าฝนตกหนักกว่า น, นี้เราจะกลับออกไปยังไงนะเพราะว่าไม่ได้เอาล่มมาบางคนอาจจะคิดแบบนี้หรือบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญน้อยๆเพราะว่ามันมารบกวนเสียงบรรยายตั้งใจจะมาฟังคำบรรยายก็มีเสียงดังเสียงฝนตก เกิดความไม่พอใจเราสังเกตเห็นไหมความกังวลที่เกิดขึ้นหรือว่าความไม่พอใจหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจถ้าเห็นนั่นแหะก็คือเป็นเพราะเรามีสติหน้าที่อย่างหนึ่งของสติคือทาให้เรา รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบอารมณ์มันเกิดขึ้นนี่เกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าตามรู้หรือว่ารู้ตามหลังเมื่อเรามีสติรู้ความกังวลที่เกิดขึ้นหรือว่าความหงุดหงิดไม่พอใจเนี่ย อาการเหล่านี้มันก็จะคลี่คลายหายไปนี่ียเรเรียกว่ารู้แล้วก็วางก็ทำให้จิตเนี่ยกลับมาฟังคำบรรยายได้อย่างต่อเนื่องถ้าว่าเรามีสติอยู่กับความบรรยายหมายความว่ามีจิตไปรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดเป็นสมาธิคือฟังคำบรรยายได้อย่างมีสมาธิคือว่าจิตแน่วแน่อยู่กับการฟังก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเจนได้ว่าสติสมาธิกับปัญญานี่มัน <c oughs> เรียกว่าเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมากเราจะมีสมาธิกับสิ่งใดได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักโดยเพราะการที่ต้องมีสมาธิหรือการอยากจะมีสมาธิกับสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบทีเดียวนักถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นวัยรุ่นชอบฟังเพลงก็จะมีสมาธิได้ง่ายมากโดยที่อาจจะไม่ต้องอาศัยสติ และสมาธินั้นเองก็อาจจะทำให้ไม่มีสติไปได้เหมือนกันเพราะว่าฟังเพลงจนจนลืมตัวฟังเพลงเสร็จก็เกิดยักย้ายสายสะโพกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือฟังเพลงจนลืมไว้ล่ำเวลาลืมทำกานบ้านลืมโทรสั์ไปหาแม่ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้สติ บางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นกับสมาธิสติทําให้เกิดสมาธิก็จริงแต่ว่าสมาธิอาจจะไม่ทําให้เกิดสติเพราะว่ามีสมาธิมันก็จนลืมตัวไปก็มีอันนี้พูดถึงการมีสมาธิกับสิ่งที่ชอบเด็กนี่ไม่ต้องอาศัยสติในการมีสมาธิ เวลาฟังเพลงเพราะว่าชอบอยู่แล้วแต่เวลาอ่านหนังสือนะหลายคนก็จะบ่นว่าทํายังไงดีถึงจะมีสมาธิกับการอ่านหนังสืออันนี้ก็เพราะว่าสติอ่อนนะเพราะว่าหนังสือนี่ไม่อยากอ่านใจมันก็เลยวอกแวกได้ง่ายแต่ถ้ามีสติรู้ว่าใจมันวอกแวกไป รู้ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจิตก็จะกลับมาอยู่กับการอ่านหนังสือและถ้าเกิดว่าสติ ท, ทำงานดีนะการที่จิตจะอยู่กับการอ่านหนังสือหรือว่ามีความแน่วแน่กับการอ่านหนังสือก็จะเกิดขึ้นผลที่ได้คือสมาธิสมาธิกับการอ่านหนังสือสติก็ดีสมาธิก็ดีนี่เรา เราใช้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะต้องมาวัดเพื่อสร้างสติถ้าอยากสร้างสติต้องมาวัดไม่ใช่ที่จริงเรามีอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ใช้มันเช่นเดียวกับสมาธิเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าสติอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเราใช้ทั้งสติและสมาธิในการดาเนินชีวิตประจาวัน รวมทั้งในการแก้ปัญหาทั้งแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและช่างแก้ปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติแต่ว่าบางทีเราก็สับสนว่สติคืออะไรสมาธิคืออะไรถ้าพูดง่ายๆสติก็คือความระลึกได้สมาธิคือความแน่วแน่แต่นี่ก็พูดแบบห ย, บยาบๆนะเพราะว่าสติมันทํามากกว่าความระลึกได้ สตินี่ก็เอามาใช้ในการที่จะให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าใช้ในการที่จะกําหนดเพื่อให้เราเกิดสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง้าพูดทางแบบวิชาการหน่อยนะสติมันก็มีหน้าที่อยู่สองอย่างใหญ่ๆอันที่นี่คือว่าดึงอารมณ์มาสู่จิต อารมณ์ในที่นี้ไม่แต่มาถึงอารมณ์แบบโกรธเสียใจดีใจนหะมายถึงว่าสิ่งที่เป็นความสนใจของจิตยกตัวอย่างเช่นเราจำไม่ได้ว่าวันเกิดเพื่อนวันอะไรแล้วก็นึกนึกสักพักก็นึกออกเพราะว่ามันจำได้อยู่แล้วแต่ว่านึกไม่ออกเอาใย ส, สติเข้ามาช่วยหน่อยสติก็ไปดึงเอาความจำ ออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะจากสมองมาสู่การรู้ของจิตอออจำได้หรือว่าจะเดินกับกุฏนะิคนที่เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยออกจากศาลาก็ต้องนึกก่อนว่านีเ่เรามาทางไหนกุฏิเราอยู่ตรงไหนอันนั้นหละก็เรียกว่าสติมันทำหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเกิดความระลึกได้ขึ้นมา อันหนึ่งก็คือํำกับจิตไว้กับอารมณ์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเช่นกำลังฟังอยู่นี่เนี่ยนะใจมันวอกแวกไปโน่นไปนี่ไปคิดไปถึงบ้านบางทีก็คิดไปถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกจิตมันไม่ค่อยมาอยู่กับเสียงหรือคำบรรยายเท่าไหร่แต่ถ้ามีสติดีสติมันก็จะไปดึงจิตที่วอกแวก ไปโน้นมานี่เนี่ยกลับมาอยู่กับการฟังอันนี้เรียกว่ากำกับจิตไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้คือเสียงบรรยายเมื่อดึงจิตมาอยู่กับมารับรู้การบรรยายผลที่ได้คือความเข้าใจและสมาธิในการฟังสติก็เกื้อกูลกับสมาธิ น, นี้คงเห็นความแตกต่างนะว่าสติทํางานยังไงสมาธิทํางานยังไงจริงๆก็ยังมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันอีกเยอะอย่างเช่นเราอยู่กุฏิคนเดียวกลางป่าหรือว่าอยู่กุฏิเมื่อคืนนี้นะอยู่คนเดียวกลัวนะกลัวกลัวอะไรไม่รู้นะกลัวสัตว์้ายกลัวคน กลัวความมืดกลัวผีสางสารพัดแล้วทำไงจะหายกลัวนะเราก็เลยมาตามลมหายใจเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตมันแน่วแน่อยู่กับลมหายใจปรากฏว่าความกลัวหายไปเลย เพราะว่าจิตมันมาอยู่กับลมหายใจเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาอาศัยสมาธิกับลมหายใจทำให้หายกลัวพอถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตมันก็จะวิ่งพลานปรุงแต่งต่างๆนานาหรือไม่ก็ออกไปจดจ่อสิ่งนอกตัวนอกกุติมีอะไรนะมีเสียงดังข้างนอกก็ใจเข้าไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรุงแต่ง แต่ว่าให้จิตมาจดจ่อยที่ลมหายใจจนเป็นสมาธินะก็หายกลัวอย่างหลวงพ่อชยัยท่านเคยไปทุดงในป่านี่กลางกดอยู่คนเดียวในป่าที่ลึกใารที่กําลังนั่งทําสมาธิอยู่ก็ได้กลิ่นสางแล้วคนร้อนนี่พอแม่ไม่เคยเจอเสือเลยนะหรือไม่เคยเจอกลิ่นเสือเลย แต่พอได้กลิ่นสาบเสือข้างแรกนี้ก็รู้เลยว่านี่เสือท่านก็กลัวมากเนาะแล้วก็เสือมันก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วท่านก็ใครที่ท่นความโกรนพุ่งสุดขีดนี่ท่านก็นึกขึ้นมาได้จิตก็เลยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วเนื่องจากจิตมันกลัวมากนะมันก็เลยพยายามไม่ออกไปไหนเลยก็จ่ออยู่กับลมหายใจยนั้นแหะ แนวแน่อยู่กับลมหายใจจนทั้งเป็นสมาธิเกิดเป็นสมาธิที่แน่วแ น, วแนว่ความกลัวหายไปเพราะจิตมาอยู่กับลมหายใจเกิดเป็นสมาธิจนทั้งเป็นความสุขนะเป็นสมาธิที่ยิ่งกว่าตอนที่ก่อนที่จะได้กลิ่นสาบเสือซะอีกมาลีกทีก็สว่างแล้วนะท่านมีสมาธิแน่วแน่หลายชั่วโมงมากอันนี้เพราะความกลัวความกลัวก็มีประโยชน์นะ เพราะว่ามันทำให้จิตเนี่ยไม่กล้าส่งออกนอกจิตมันจะกลับเข้ามาข้างในเพราะมันรู้ว่าปลอดภัยนั้นก็อาศัยความกลัวนี่สร้างสมาธิหรือว่าใช้สมาธิเพื่อระงับความกลัวแต่บางทีเราก็ใช้สตินะใช้สติใช้สติดูความกลัวมีหมอคนนึงเล่าว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยที่จริงผ่าตัดเล็กนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็ต้องฉีดยาชา คนไข้จำนวนมากก็กลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวเจ็บอ้าวฉีดยาชาให้แล้วจะทํทำไมยังกลัวหลายคนฉีดยาชาให้ก็ยังกลัวอยู่เป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลหมอคนนี้ก็พยายามอธิบายว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพราะมันไม่เจ็บเพราะใช้ยาชาแล้วก็ยังกลัวอยู่บางคนกลัวขนาดที่ว่าฉีดยาชาไปยาชาก็ไม่ไม่ออกกลิ์นะ มาออกเลดตอนกลับบ้านละนะก็พยายามอาธิบายพยายามใช้หลายวิธีคนก็ยังกลัวอยู่ตอนหลังก็เลยแนะให้คนไข้เนี่ยดูความกลัวอ่ลองดูเชว่าตอนนี้มันกลัวเท่าไหร่กลัวให้คะแนนเต็มส0บกลัวเท่าไหร่บางคนก็บอก7ก็8อ่าเราดูความกลัวเสียกลัวลวมเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงหัวใจเต้นเป็นยังไง มาดูกายแล้วก็มาดูใจแล้วก็มีวิธีพูดในะที่ทำให้คนไข้ได้มาเห็นความกลัวแล้วก็ประกอบความกลัวก็ทุเลาเบาบางลงจากที่เป็นเจ็ดแป๊ก็ลดลงเหลือเหลือสามเหลือสี่อันนี้ก็เป็นการใช้สติเพื่อดูความกลัวผิดกับสมาธิถ้าเป็นสมาธินี่อาจจะให้จิตมาอยู่ที่ลมหายใจเวลาปวดนี่ก็เหมือนกันนะ ปวดมีหมอคนนึงปวดมากเนะพราะมันเลงมันลามไปถึงกระดูกนอนก็ไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบงอกอะ ง, งอขิงเหงื่อนี่ไม่ตัวโตปากซีดนะคุณหมอมาลามลิลานี่มาเยี่ยมเห็นแล้วสงสารก็เลยชวนให้ทำสมาธิบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าหายใจออกโท นึกว่าจะทำได้แค่5นาทีเพราะหมอไม่เคยทำมาก่อนบอกว่าทำได้ถึงห0นาทีแล้วก็ทำลับสบายนั่งได้หลังตรงความปวดทุเราลงไปเยอะเงือนี่หายปากที่เป็นสีชมพูเลยอันนี้เพราะอำนาจของสมาธิทำให้มันบรรเทาความปวดได้หรือว่าลืมความปวดไปเลยล้วคนเราเวลาปวดแล้วทำอะไรสักอย่างที่ชอบเนี่ย มันก็ลืมได้นะเป็นฟังเพลงหรือว่าวาดรูปนะเพราะวาดรูปพอใจมีสมาธิกับการวาดรูปนี้ความปวดหายไปเลยอันนี้เรียกว่าใช้สมาธิบรรเทาความปวดคุณหมอคนนี้ก็ไม่เคยนั่งสมาธิก็จริงแต่ว่ามีสมาธิกับงานเวลาทำงานมีสมาธิมากก็พอเอาสมาธิมาใช้กับลมหายใจก็ทำได้ดีมากไม่ต้องใช้ยาระงับปวดเลย แต่บางคนนี่ก็ปวดมากเป็นมะเร็งยาก็เอาไม่อยู่แล้วทํำยังไงแล้วว่าเอามาดูความปวดเลยสติมันใช้คําว่าดึงจิตมาอยู่ที่หัวไหล่มาดูความปวดที่ท้องไม่ใช่มีอยู่กลมหายใจอย่างกรณีแรกนะแต่ามายดูความปวดก็เห็นความปวดว่ากายมันปวดแต่ใจนี่สงบ แต่พอเพลิสติใจไปลงกับกายเมื่ อ, อไหร่ก็ปวดทันทีเลยก็ต้องมีสติดูมันดูก็คือว่าเหมือนกับว่าเราอยู่ห่างๆกองไฟปนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์นนะเช่นความโกรธความเจ็ความปวดมันก็เหมือนกับ ว, ว่ามีกองไฟอยู่ในใจหรืออยู่ในกายก็ปล่อยใจให้มันไปอยู่ในกลางกองไฟนั่นแหละ มันก็ปวดสิมันก็ทุกข์สิใจไปจมอยู่กับความโกรธหรือว่าใจไปปักตึงอยู่กับทุกขเวทนาความปวดแต่พอมีสติก็เหมือนก็ว่าดึงออกมาอยู่ห่างๆมาดูกองไฟห่างๆความร้อนแรงของกองไฟพออยู่ห่างามก็ไม่ค่อยร้อนแล้วห่างยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนน้อยลงจนกระทั่งกายเป็นปกติอันนี้เป็นการทํางานของสตินะ เราคงจะเห็นได้เราสติกับสมาธิแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะว่าจะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติเพราะว่าใหม่ๆใมจมันวอกแวกไงใจวอกแวกก็ต้องรู้ว่ารู้ว่าใจมันวอกแวกและสติก็จะพาจิตนั่นแหละกลับมาจะอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวไปมาก็ได้แต่ว่าการปฏิบัติด้วยการยกมือสร้างจังหวะ เราไม่ได้เน้นเรื่องสมาธิเราไม่ได้เน้นเรื่องให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่มือไม่เหมือนกับการตามลมหายใจที่บางท่านสอนท่านก็จะเน้นให้จิตไปเป็นแนบอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปรับรู้สิ่งอื่นแต่ว่าการเจริญสติที่นี่นี่เราจะไม่ได้เรื่องการสร้างความสงบแต่ให้จิตมีสติ มีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นการปฏิบัติบางอย่างนี้ก็จะไปนเน้นที่ความสงบเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีให้จิตนี้ไปกําหนดแนว่วแนว่แนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นที่ลมหายใจจะเป็นที่ท้องพองยุบหรือว่าจะเป็นที่เท้าที่เคลื่อนไหวไปมาอาจจะมีคําบริกรรมด้วยเช่นพุทโธหรือยกย่างหยียบ เพื่อเป็นการบังคับจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับอารมณ์พูดง่ายๆอารมณ์ที่กําหนดเอาไว้แต่ว่าการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนนี่ท่านไม่ได้เน้นเรื่องความสงบหรือว่าการสร้างสมาธิแต่ว่าให้จิตเนี่ยมีสติโดยการฝึกให้มีสติรู้ทัน ทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้กายที่เคลื่อนไหวเมื่อใจคิดนึกก็รู้ความนึกคิดนั้นรู้แล้วมันก็วางนะนาทียางสติร่วมก็วางเพราะว่าไอความคิดนึกที่เกิดขึ้นมันเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมันเป็นความเผลอคิดและที่เผลอคิดก็เพราะไม่มีสติลืมตัว สันทีที่มีสติความลืมตัวก็หายไปความรู้ตัวกลับมาก็สามารถที่จะทำกิจที่กำลังทำอยู่ได้อย่างดีน่นหมายเนี่ยการปฏิบัติแบบวัชเทียนก็อาจจะหลายคนจะพวกมันฟุ้งซ่านมันคิดเยอะเหลือเกินซึ่งก็ธรรมดาเพราะว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะไปบังคับจิตให้หยุดคิด เรอบังคับจิตไม่ให้คิดแต่ว่ายอมให้อ น, นุญาตให้จิตมันทำงานโดยอิสระแต่ว่าหน้าที่ของเราคือว่าให้รู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันความฟุง้งซ่านเมื่อรู้ทัน บ, บ่อยก็จะไวก็จะรู้ทันได้เร็วขึ้นก็เหมือนคนเด็กๆตอนเข็นกอไก่ข้อไข่มันเข็นช้ากว่าจะเข็นกอไก่แต่ละตัวนี่ช้า พอไขก็ช้าแต่พอเขียนไม่บ่อยนมันเขียนเร็วเขียนได้เร็วขึ้นใหม่ๆกว่าจะรู้ทันความคิดนี่ช้าแต่พอรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็จะรู้ได้ไวและจะรู้บ่อยๆได้ยังไง ร, รู้บ่อยๆได้ก็เพราะว่ามันมีความฟุ้งซ่านเยอะมีความฟุ้งซ่านเยอะก็จะเหมือนกับว่าได้ฝึกให้รู้ทันได้บ่อยขึ้นถ้าชั่วโมงมนึงมีความฟุ้งซ่านแค่เรื่องเดียวหรือว่า แค่แว็บเดียวเนี่ยจิตก็คงไม่ได้ฝึกให้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้คล่องแคล่วชํานาญนะเพราะฉะนั้นการที่มันฟุ้งซ่านเยอะๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้จิตได้ฝึกให้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้ไวเหมือนกับว่ามีการบ้านให้ฝึกเยอะเด็กที่ฉลาดนี่ต้องทําการบ้านเยอะๆนะถ้าการบ้านมีนิดเดียวนี่เด็กก็ไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าไม่ได้ฝึก การที่มีความฟุ้งซ่านเยอะเนี่ยมันก็เป็นของดีทําให้มีโอกาสได้ฝึกสติให้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้มากขึ้นแต่บางคนก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามาเพราะอยากจะได้ความสงบพอไม่สงบเข้าก็เลยเกิดความอึดอัดหมุนหงิดนะอย่างที่พูดเมื่อวาน จิตมันไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านมันมีความเกลียดชังไม่ชอบด้วยเลยทําให้เป็นทุกข์เวลาฟุ้งซ่านแล้วยิ่งไปกดข่มมันแล้วมันไม่ไม่ได้ผลยิ่งไปบังคับมันมันยิ่งกลับดือ้อกลับด้านกลับต่อสู้ก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่จากความฟุ้งซ่านก็เลยกลายเป็นความเครียดจากความเครียดกลายเป็นความหงุดหงิดแล้วก็การความโมโห บางทีโมโหใครโมโหสิ่งแวดล้อมโมโหผู้คนโมโหนินทากายบางทีก็โมโหตัวเองบางคนนั่งปฏิบัติไปที่แรกก็ดีๆนะแต่พอมันฟุ้งซ่านก็ปล่อยให้มันลุกลามเพราะว่าไม่อยากให้มันฟุง้งก็เลยหมุดหงิดเบียดสุดท้ายก็โกรธโมโหเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเอง ทำไมโวรมากอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้ปฏิบัติแทนที่จะทาให้เกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าลืมตัวหนักยิ่งกว่าเดิมการปฏิบัตินี้มันต้องทำให้รู้สึกตัวรู้ตัวดีขึ้นแต่บางคนปฏิบัติแล้วกลับลืมตัวหนักขึ้นนี้เพราะว่าความอยากความอยากจะให้จิตมันสงบพอจิตไม่สงบเลยลืมตัวไปเลยสติเนี่ยนะ หมายถึงความระลึกได้ระลึกได้ก็คือไม่ลืมควรธใ่แล้วก็นึกถึงการไม่ลืมข้าวไม่ลืมของหรือว่าถ้าลืมก็นึกออกจะขับรถก็นึกได้ว่ากุญแจวางไว้ไหนอันนี้ก็เป็นสติอันหนึง่งแต่ว่าไอ้ที่ระลึกได้ที่สำคัญกว่านั้นคือระลึกได้ในเรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจ บนบางคนอาจจะนึกอะไรต่ออะไรได้เก่งความจำแม่นจาเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้แทบทุกคนเลยแต่ว่าลืมตัวง่ายลืมตัวคืออะไรลืมตัวคือว่าลืมว่ากาลังทำอะไรอยู่อย่างเมื่อวานนี้พูดเรื่องการกินข้าวนะบางคนเวลากินข้าวเนี่ยนะก็ก็ลืมไปนะเป็นพักๆว่ากาลังกินข้าวอยู่ เพราะใจมันลอยจะมันคิดนึกสารพัดก็เคยมีการทดลองเอาคนนี่มามากินน้ำซุปแต่ว่าชามซุปนี่เป็นชามใหญ่เลยอาสาสมัครก็ไม่รู้นะให้มาทดลองอะไรก็ให้มากินก็กินโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้จานซุปเนี่ยมันมีท่อต่อเพื่อเที่จะเติมซุปได้เรื่อย คนส่วนใหญ่กินไปกินไปก็ไม่สังเกตว่ามันไม่หมดสักทีซุปมันพร่องนิดเดียวเองก็กินไปเท่ า, ท, าที่มันน่าจะหมดแล้วก็ยังก็ยังกินต่อเพราะว่ามันไม่พร่องเท่าไหร่เลยไม่มีใครสังเกตหรือว่าทำไมมันไม่พร่องจนกระทั่งเขาต้องหยุดส่งน้ำซุปไปให้เพราะว่าไม่งั้นกินจน บ้งบาลแน่ๆเลยอันนี้แสดงว่าเขาไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวไปแล้วเขากินเนี่ยเขาลืมปากกินแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจมันลอยไงก็เลยไม่ไม่ฉุกคิดว่าซุปมันไม่หมดจานสักที น, นี่เราลืมตัวคือไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่บางคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าลืมไปว่ากําลังนั่งฟังใจลอยคิดถึงบ้านอันนี้เราลืมตัวนะ หรือว่าลืมตัวหมายว่าการเผลอทำสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือสิ่งที่ไม่ตั้งใจจะทำเช่นบางคนมีธุระนะจะรีบกลับบ้านแต่ปรากว่าระหว่างทางที่ขับรถมีรถคันนึงมาปาดหน้าโกรธโกรธก็เลยไล่ตามรถคันนั้นไปเพื่อที่จะปาดกลับคืนลืมไปเลยว่าต้องรีบกลับบ้านไปเอาของ บางคนกำลังนั่งสมาธิอยู่มีเสียงรถมีเสียงพูดคุยอยู่ข้างๆลืมตัวเปิดตาลุกขึ้นมาด่าต่อว่าคนที่ส่งเสียงดังอันนี้เรียกว่าลืมตัวได้เหมือนกันซึ่งที่สุดคือมาลืมเรื่องกายเรื่องใจนั่นแหละคือตอนที่เกิดอารมณ์โกรธเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ทันไปให้ความโกรธมาครอบงํา แล้วคนเรานี่ถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ลืมสารพัดนะลืมค่าลืมของบางทีก็ลืมหนักกว่า น, นั้นเมื่อสองปีก่อนมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งเวลาเขาไปทํางานเขาจะขับรถไปที่ทํางา น, นก็จะมีเพื่อนบ้านติดไปด้วยเพื่อนบ้านก็จะเอาลูกสามขวบนั่งรถคันเดียวกันเพื่อจะไปส่งเด็กที่โรงเรียนอนุบาล ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับเทศบาลก็เป็นอย่างนี้มาตลอดวันหนึ่งแม่มีธุระก็เลยฝากเติดให้เทศมนตรีไปส่งที่โรงพยุบาลก่อนที่จะไปเทศบาลวันนั้นรถคงติดด้วยแหละแล้วก็บังเ อ, อิญมีประชุมมีประชุมสำคัญแต่เช้าเลยนายเทศมนตรีนนี้ก็ มีความกังวลเพราะว่าไปถึงที่ประชุมช้าเนื่องจากรถติดจใจคงตั้งแต่เรื่องการประชุมแหละพอไปถึงเทศบาลก็รีบลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นไปห้องประชุมชั้นสองประชุมจนถึงเที่ยงเสร็จก็ทางานต่อเลยจนถึง5้าโมงเย็นเสร็จงานก็ลงมาขึ้นรถ ขับรถกลับบ้านที่ขับกลางทางก็มองไปที่กระจกหลังเห็นเด็กตกใจลืมเอาเด็กไปส่งที่เนอร์เซอรี่ตั้งแต่ชเช้ารีบเปิดประตูหลังบอกว่าเด็กเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเจอความร้อนในรถกี่ชั่วโมงอะ89้าชั่วโมงเด็กเปิดประตูไม่เป็นประตูมันล็อกเด็กเปิดไม่เป็นก็เลยตายเลยขาดน้ํา อันนี้เรียกว่าเป็นเพราะลืมตัวนตอนที่ขับรถใจก็ลอยตัวอยู่ที่รถแต่ใจไปอยู่ที่ห้องประชุมแล้วพอถึงเทศบาลก็เลยรีบลงรถขึ้นไปประชุมพอลืมตัวก็เลยลืมเด็กไปด้วยเล ย, ยาการลืมตัวนี่ต้องระวังนะเพราะว่ามันอันตรายมากและที่คนเราทุกเนี่เพราะลืมตัวทั้งนั้นแหละปล่อยให้ความโกรธความ วิตกกังวลความเศร้าเสีสยใจมันมาคร่อบงําจิตจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่เรามีสติรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นได้สตินี่มันช่วยกอบกู้ใจจากอารมณ์นะแล้วจิตนี้มีสติี่มันช่วยกอบกู้ใจจากอารมณ์ดึงออกมาจากอารมณ์จากการที่ถูกอารมณ์แผดเผาอยู่เหมือนเสมือนอยู่กลางกองไฟ ก็ดึงออกมาดูมันดูมันมันก็ดับไปเองเพราะมันไม่มีเชื้อแต่ถ้าไม่เข้าไปดูมันเข้าไปเป็นมันเลยนะมีความกลัวก็เป็นผู้โกรธมีความกังวลก็เป็นผู้กังวลมีความกลัวก็เป็นผู้กลัม ว, ม, ว, วมันก็เผาใจได้เป็นวันเป็นคืนเหมือนกันเพราะมันมีเชื้อเติมอยู่เรื่อยๆันการมีสติดูนะมันช่วยได้ ทำให้หลุดจากอารมณ์กลับมาเป็นปกตินั้นบทบาทของสติถึงสำคัญมากนะแต่คนมักจะมองข้ามเพราะว่าไปไปสนใจแต่เรื่องสมาธิซึ่งก็มีประโยชน์นะแต่ว่าให้การมีสติรู้ก็สำคัญส่วนใหญ่เราไปสนใจกับความสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่ไปรับรู้อะไรเช่นปิดตา ปิดหูปิดประตูปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุปิดโทรทัศน์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบจะได้นั่งสมาธิในห้องพราได้อย่างสงบอันนี้เราสงบเพราะความไม่รู้หรือเพราะไม่ต้องการรับรู้มาปวดท้องก็เอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจจะได้ไม่ไปรับรู้ความปวดกลัวสิงสารสัตว์ อยู่ข้างนอกไม่อยากจะรับรู้ก็เอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจสงบนะนี่เรสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะไม่รับรู้ซึ่งก็ดีนะแต่ว่าเราก็ควรจะรู้จักวิธีสร้างสงบแม้จะรู้หรือสงบเพราะรู้ได้ยินเสียงดังรู้ได้ยินแต่ว่าใจก็ยังสงบได้เสียงฝนตกลงมารับรู้แต่ว่าใจก็สงบได้ เพราะว่าเวลาฝนมันกระทบใจเกิดความกังวลกับความกลัวก็รู้รู้แล้วก็วางเดินจงกลมสร้างจังหวะมีเสียงดังเสียงรถเสียงช่างก่อสร้างได้ยินแต่ว่าใจสงบเพราะว่าวางมันได้วางทั้งเสียงสักแต่ว่าได้ยิน แล้วก็วางอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาใจกระเพื่อมเมื่อได้ยินเสียงนั้นหนุดหิดลำคาลอารู้แล้วก็วางมันก็สงบได้ทั้งน ท, ที่เปิดตาทั้งน ท, ที่ยกมือเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ว่าต้องปิดตาไม่ใช่ว่าต้องเก็บตัวอยู่ในห้องอยู่บนลานอยู่บนถนนก็สงบได้มีสงบเพราะรู้นะรู้เพราะมีสตินั่นเอง ออแล้วก็ช้านี้ก็พูดตอนนีนะ